เป็นวันครอพรอบวันมรณะภาพหลวงปู่ล่าวัดผูเจาะก้อที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแล้วก็วันที่ส9เกเป็นวันมรณะภาพหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อที่ ใ, น ใ, น ใ, นในกล้กันมรณภาพคนละวันกันเพราะนั้นหลวงพ่ อ, องคงจะได้ปลายคงจะได้ไป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 ใส่จิตใส่ใจของพวกเราแล้วลูกหลานสู้เจ้าจะทะเลาะกันทะเลาะกันเถอะสู้เจ้าจะทำก็ไม่ทำก็ไม่ข้าก็ไม่ว่าอะไรอย่าทำเสเลยดีกว่าข้าทำมาแล้วล่ะลูกหลานพวกสู้เจ้าทั้งหน้าโง่ทั้งหลายแหล่เอย่าไปหาคิดทำแลวนะให้ทะเลาะกันอยู่นั้นให้เล่นเล่ยเล่นเลี่ยมเล่นแง่เล่นมุมกันอยู่นั่นข่าไม่ได้สนใจหรอกสู้เจ้าจะไปทำ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 พอเข้ามาข่าวนี้เทวบุตรองค์ที่มานั่งก่อนถอยถอยห่างออกไปแต่สู้เทวบุตรองค์นี้ไม่ได้เทวบุตรองค์นี้มีบุญหนักสักใหญ่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าเทวบุตรองค์ก่อนแต่นี้เทววดาทั้งหลายเขาก็เลยถามว่าทำไมเทวบุตรสององค์หรือวัาท่นานหลายองค์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 ท่านจึงมเีเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เทวบุตรองค์ก่อนก็ว่าข้าพเจ้าได้ทําบุญเลี้ยงคู่คนทั้งหลาย เ, าเป็นกิจเป็นโยตลงทานทั้งหลายเนะี่ยทำยาวเจ็ดมือกันเราตั้งลงทานลักษณะนะี้ใครมากเลี้ยงคนเพราะท่านรวยนะแต่ว่าเทวบุตรองค์ที่เข้ามาที่มีบุญหนักกว่าองค์นั้นอีก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 รวยเพราะอะไรนพระองค์ก็บอกว่าเทวบุตรท่านนี้เนี่ยพระอนุรุทธเทระท่านออกจากนิโรธสมาบัติพอออกจากนิโรธสมาบัติจากนั้นท่านก็บินท่บาทปโปรตคนคนนี้คนคนนี้ก็เลยใสายบาทพระอนุรุทธะเพียงทัพผีเดียวพระอนุรุทธะก็เลย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 ที่มีปุ๋ยมีน้ำพอเหมาะดินดีแล้วก็หว่านพืชลงไปถึงจะไม่มากก็ได้รับผลเต็มเม็ดเต็เมหน่วยรวงข้าวก็สมบูรณ์แต่ถ้าว่าพวกเราได้มาแล้วก็หว่านไปเรื่อยถูกย้าวย่ากปลาย่าวย่า้าบังท้องนาบังก็ได้บังเสียบังแต่ถึงยังไง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 การภาวนาอยู่ทางคราวัตนี่ได้สาเร็จมรรคผลสาเร็จมรรคสาเร็จผลอได้ไหมมีไหมหลวงพ่อมีแต่มันยากอาถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับขนวัวกับเขาวัวลักษณะอย่างนั้นแหละเอขนวัวมันมันมันหายากไอ้เขาวัวมีอยู่สองเขาขนะวัวมันเต็มตัวเขามันนี่ก็เหมือนกัน่ะ